อีกสูตรหนึ่งนะครับทิฏฐิสูตรสูตรนี้ก็น่าประทับใจนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ชี้ให้เห็นถึงข้อปฏิบัติได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในทิฏฐิสูตรนะครับข้อสองอยี่สเจ็ดจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุ น, นั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่า ดูการพิสูจนทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันทิ่ิดสองอย่างพัวพันแล้วบางพวกย่อมติดอยู่บางพวกย่อมเล่นเลยไปส่วนพวกที่มีจักษุย่อมเห็นนะครับบอกว่าบางพวกย่อมติดอยู่หมายความว่าพวกล้าหลังอ่ะนะบางพวกก็เล่นเลยคือเลยทงอ่ะนะบางสำนวนเขาแปลอย่างนั้นบอก <c oughs> บางพวกเนี่ยล้าหลังบางพวกเลยทงในนี้ก็บอกว่าแปลว่าย่อมติดอยู่บางพวกก็เล่นเลยไปดูการพิสูจน์ทั้งหลาย พวกเทวดามนุษย์บางพวกย่อมติดอยู่อย่างไรนะพวกล้าหลังเนี่ยนะครับดูการพิสูจนทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีพบเป็นที่มายินดียินดีแล้วในพบเพลิดเพลินด้วยดีในพบพวกนี้ยินดีในวิบากและกรรมาชรุปที่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะครับเมื่อพระตถาคตแสดงธรรมเพื่อความดับพบนะครับคือแสดงพระนิพาณ น, นะครับ ที่ดับวิบากและการมาชรูปสนิทเนี่ยนะจิตของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นย่อมไม่เล่นไปย่อมไม่เลื่อมสายย่อมไม่ดํารงอยู่ด้วยดีย่อมไม่น้อมไปดูการพิสูุนทั้งหลายเทวดาและมนุษย์บางพวกย่อมติดอยู่อย่างนี้หรือพวกล้าหลังเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันเพลิดเพลินอะนะมัวแต่เก็บดอกไม้อยู่อ้าวเลิกเลิกเลแต่พวกนี้ก็ไม่ค่อยชอบนะครับดูวารพิสูจทั้งหลายเทวดาและมนุษย์บางพวกย่อมเล่นเลยไปอย่างไรพวกเลยทงอะนะ ก็เทวดาและมนุษย์บางพวกอึดอัดระอาะเกลียดชังอยู่ด้วยพบนั่นแหละย่อมเพลิดเพลินความขาดศูนย์ว่าน่ท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าเมื่อใดตนนี้หรืออัตตนี้เมื่อตายไปย่อมขาดศูนย์ย่อมพินาศเบื้องหน้าแต่ตายย่อมไม่เกิดอีกนี่ละเอียดนี่ประณีตนี่ทองแท้ดูความพิสูจน์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์พวกะนะพวก ย่อมเล่นเลยไปอย่างนี้นะครับนี่พวกเลยทงนะครับก็คือพวกคิดว่าเออเดี๋ยวตายแล้วก็จบการตายแล้วก็สุดยอดตายแล้วก็สบายแล้วว่างนั้นนะเหมือนกับใครบอกเออตายเขาก็สบายไปแล้วสบายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็พูดพูดไปอย่างนั้นแหละว่าพูดว่าคนตายเนี่ยสบายแล้วก็แสดงว่าเขานี่ผ่านแล้วสิ่งนั้น่ะจริงไม่เป็นอย่งงางนั้นหรอกนะครับตอนนี้พวกนี้เลยทงนะครับพวกเลยทงกับพวกล่าหลังกันเลยทงดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพวกที่มีจักสู่ย่อมเห็นอย่างไรเล่านะที่เห็นอ่ะนะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเห็นขันห้าที่เกิดแล้วโดยเป็นขันห้าที่เกิดแล้วคือเห็นขันห้าเท่านั้นนะครับนะครั้นเห็นขันห้าที่เกิดแล้วตามความเป็นจริงย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหนา่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับขันห้าที่เกิดแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายพวกที่มีจักษุย่อมเห็นอย่างนี้แหละคือพวกที่มีจักษุเห็นขันห้าพร้อมทั้งเหตุเกิดและความเป็นไปของขันห้าอย่างตลอดสาย เมื่อรู้ขันห้าพร้อมทั้งเหตุเกิดที่เรียกว่าสมุทัยแห่งขันห้าแห่งขันห้าที่เป็นไปในสังสารทุกอย่างตลอดสายอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายในขันห้าเพื่อคลายกําหนัดในขันห้านะครับเพื่อสละคืนขันห้าก็คือเจริญอนุปัสนาในขันห้าเพื่อให้พ้นจากความเพื่อให้พ้นจากอุ ป, ปาทานในขันห้านะั่นแหละนะครับนี้เรียกว่าคนมีจักษุเป็นลักษณะนี้นะครับกระว่า อ่นนะไม่ล้าหลังและก็ไม่เล่นเลยนะครับอันนี้พวกนี้พอดีมัชชิมาปฏิปทานนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคาถาประพันธ์นี้ไว้ว่าอริยะสาวกใดเห็นขันห้าที่เกิดแล้วและธรรมะเครื่องเก้าวล่วงขันห้าที่เกิดแล้วโดยความเป็นจริงเนี่ยนะครับเห็นขันห้าคือเห็นทุกข์สัตว์นะครับธรรมะเครื่องก้าวล่วงขันห้าคือนิพพานนะครับ ย่อมน้อมไปในนิพพานตามความเป็นจริงเพราะละภาวะตันหาหมดสิ้นไปถ้าว่าอริยาสาวกนั้นกําหนดรู้ขันห้าที่เกิดแล้วปราศจากตันหาในภพน้อยและภพใหญ่แล้วไซภิกษุทั้งหลายย่อมไม่มาสู่ภพใหม่เพราะความไม่เกิดแห่งอัตภาพที่เกิดแล้วนะครับเพราะจบสิ้นขันห้าสัทีหนึ่งนะครับจบสิ้นขันห่านะครับแต่ว่าแม บุตรชนทั้งหลายเนี่ยนะครับเห็นขันห้าเป็นของเห็นขันห้าเป็นของสุขเห็นขันห้าเป็นของเที่ยงเห็นขันห้านี่แหละเป็นอัตตานะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกนึกคิดก็ตรงกันข้ามกับพระอริยเจ้าทั้งหลายนะครับที่ดูนะเราเห็นนิพพานเป็นสุขหรือว่าเห็นขันห้าเป็นสุขนะครับลองเทียบดูนะเห็นนิพพานเที่ยงหรือว่าเห็นขันห้าเที่ยงนะครับก็ยังเชื่อว่าขันห้าน่าจะยังดีอยู่นะ เพราะไฟฟันซะส่วนใหญ่นะครับก็ไม่คู่ควรกับการสิ้นทุกข์อยู่แล้วเออสูตรนี้ควรจำมั้นะครับเพราะว่ามีอ้างบ่อยมากนะครับวิสุทธิมรรคก็อ้างสูตรนี้นะครับสูตรไหนที่อธิบายสัจจะทิฏฐิและอุเฉ ท, ทิฏฐิจะอ้างสูตรนี้นะครับแม้แต่คัมภีร์ปฏิสัมพิธามักภาษารีบุตรก็อ้างสูตรนี้นะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็ถ้าได้สูตรนี้ก็เข้าใจอีกหลายคัมภีร์เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นสูตรทิฏฐิสูตรนี้ก็ควรทรงเอาไว้นะครับควรพิจารณาให้เข้าใจท่องแท้ไปเดี๋ยวก็จะเจอที่อื่นนะครับเช่นวิสุทธิมรรคในเรื่องวิปัสสนาทั้งหลายนะครับวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยนะก็จะยกตรงนี้มาแม้กระทั่งปฏิสัมพิธามรรคทิฏฐิกถาก็เอาเรื่องนี้ไปไปเป็นเครื่องประกอบนะครับภาษาริบุตรท่านยกไปในอัตถกถาทิฏฐิสูตรนะครับบทว่าทวีหีทิฏฐิคเตหีทิฏฐิคตะทิฏฐินั่นแหละชื่อว่าทิฏฐิคตะนะครับคือไม่ได้มีศัพท์เพิ คำว่คตาสัพที่ทิทั้งหลายอันมีฐานะเป็นทิฐิเพราะเป็นเพียงถึงทิฐิโดยประการที่ว่างจากการถือเอาด้วยทิฐิเหล่านั้นคือมันไม่มันมีแค่ทิฐิเท่านั้นแหะที่ถือเอาอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับบทว่าปริยุทธิตาได้แก่ครอบงามหรือผัวพันสับว่าปริยุติฐานะมีอัตถว่าผัวพันนะครับปริยุติฐานนี่แปลว่าภัวพันนะครับเหมือนในบทว่าโจรามะเคปริยุติถิงสุนะครับพวกโจรดักอยู่ที่หนทางนะ พวโจรผัวพันอยู่แถวนั้นนะครับวันบทว่าเทวาได้แก่อุปติเทพก็อุปติเทพเหล่านั้นท่านเรียกว่าเทวาเพราะเล่นหรือเล่นด้วยการมคุณอันยิ่งและสูงสุดด้วยฌานเป็นต้นหรือถึงคือบรรลุประโยชน์ที่ตนปรารถนาได้ด้วยอนุภาพแห่งฤทธิ์นี่คือคําว่าเทวดานะส่วนมนุษย์นี่ก็คือผู้มีใจสูงนะครับอ่าดยบทนี้ท่านกล่าวการชี้แจงเป็นอย่างเยี่ยมเหมือนอย่างว่าสาถาเทวมนุษสานัง คือเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคําว่ายกที่ยาพวกเทวดาและมนุษย์บางพวกนะครับพวกที่ล้าหลังนะที่ใช้คําว่าเทวดาและมนุษย์เนี่ยนะครับเป็นเป็นคำอุกรฤษเหมือนกันเถอะซึ่งอันที่จริงแล้วนะครับแม้แต่เดรัจฉานบางพวกก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะแม้แต่เดรัจฉานบางพวกก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันแต่ที่ยกเทวดาและมนุษย์เนี่ยโดยอุกรฤษ เหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอาที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเทวดาและมนุษย์เท่านั้นนะพระองค์ยังสอนแม้กระทั่งเดราชานเป็นต้นนะครับ mm hmm. บทว่าโอริยันติเอเกความว่าเทวดาและมนุษย์บางพวกย่อมพัวพันย่อมติดย่อมถึงการซบนะครับคือสยบ น, นะย่อมไม่ออกไปจากนั้นด้วยอํานาจความเห็นว่าเที่ยงอันเป็นการติดและการยึดมั่นในภพทั้งหลายว่า ส, สโตอัตาจะโลโกจะ อัตตาและโลกเที่ยงหมายคือว่าสัสตตติถินั่นเองครับบทว่าอาติทาวันติความว่าไม่ถือความสัมพันธ์โดยความเป็นเหตุผลของสภาวะธรรมแม้มีสภาวะธรรมทําลายไปโดยประมัดย่อมเล่นไปในภพนั้นๆนั่นเองด้วยการถือแม้นยะอันเป็นความต่างกันเพราะฉะนั้นย่อมเล่นไปคือย่อมล่วงความเป็นธรรมะนะครับในการทักท้วง อันนี้ก็กล่าวถึงพวกล่อนเล่นเลยเนี่ยนะเอาใหม่นะครับพวกที่ล้าหลังเนี่ยนะครับพวกนี้สำคัญว่าอัตตาเนี่ยมีอยู่ก่อนนะครับ mm hmm. เช่นสําคัญว่าเวทนาเป็นอัตตาหรือสําคัญว่านามธรรมทั้งหลายเป็นอัตตาหรือสําคัญว่าไอ้รูปละเอียดละเอียดบางอย่างเนี่ยเป็นอัตตาทีนี้อัตตาเนี่ยนะครับย่อมท่องเที่ยวไปย่อมสเสวยย่อมทํากรรมย่อมรับผลของกรรมเป็นต้นอนะ่ะเออลักษณะนี้เป็นลักษณะของสัสตติฐิตนะครับ พวกนี้จะสําคัญว่าอัตตาเนี่ยเป็นผู้ทํากรรมอัตตาเนี่ยจะเป็นผู้สเสวยกรรมอย่างเช่นถ้าคนที่ฟังไม่ดีนี่นะครับสำคัญโดยผิดในชั้นต้นก่อนนั่นนะเช่นสําคัญว่าอัตตาเนี่ยมีอยู่สําคัญว่าสัตว์นี่มีอยู่เช่นสําคัญว่าเรานี่มีอยู่จริงๆโดยประมัดนะครับสําคัญผิดนะนะเสร็จแล้วเออเราทําเราก็จะได้ด้วยตัวเองนะอย่างเงี้ยอันนี้เป็น ส, สติทิฐินะครับแต่ถ้ามองชีวิตกรรมและผลของกรรมโดยความสืบเนื่องแห่งเหตุและ และผลนะครับหมายความว่าวิบากและกรรมชรูปเป็นไปตามเหตุแห่งกรรมทั้งหลายถ้ามองเห็นความสัมพันธ์ในลักษณะนั้นเป็นลักษณะของสัมมาทิฏฐิแต่พวกนี้สําคัญว่ามันมีอัตตาณ์เป็นผู้ทําอัตตาณ์เป็นผู้ผู้รับนะครับอัตตาเป็นผู้เสวยอัตตาเป็นผู้พูดเป็นผู้แสดงเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งพวกนี้ล้าหลังนะครับส่วนพวกเล่นเลยไปนะครับพวกสําคัญในดับภพนะวิภพนะในความขาดศูนย์หรืออุเฉททิฐิว่า อุดชิดชติอัตตาจะโลโกโจะหน้าหู้ติบรัมมรน า, าอัตตาและโลกย่อมขาดศูนย์เบื้องหน้าแต่ตายย่อมไม่มีนะครับมันไม่มีรอกไภพบหน้าชาติหน้าอะไรเนี่ยนะครับมันตายแล้วมันก็ความสุขเท่านั้นแหละนะครับก็เทวดาและมนุษย์ผู้มีปัญญาจักสุขด้วยความแก่กล้าแห่งยานอันนี้พวกที่สามนะครับพวกที่หนึ่งล้าหลังหรือหรือ ยึดติดนะครับพวกสองก็คือเล่นเลยส่วนพวกที่สามคือพวกที่มีจักรสุเพราะมีปัญญาแก่กล้าด้วยอานาจของยานแห่งการถึงพร้อมด้วยการประกอบในเบื้องต้นประกอบในเบื้องต้นนี้บุ ป, ปโยคะใช่ไหมครับรรอ่าเขาบอกว่าตรงคือ ท, ที่ที่ติดใจเนี่ยด้วยกาถึงพร้อมด้วยการประกอบในเบื้องต้นเนี่ยบาลีใช้คาว่าบุปโยคะใช่ครับพวกอ๋อนะ ค, ครั บ, บ คือพวกนี้เนี่ยนะครับทําไมครับพวกมีจักษุที่บอกว่าพวกที่มีจักษุเนี่ยนะครับย่อมไม่ไม่เป็นลักษณะนั้นเลยนะครับคือพวกที่มีจักษุนี้ย่อมเห็นทีนี้คําว่าพวกที่มีจักษุถามว่าทําไมเขาจึงมีจักษุทําไมเขาจึงมีปัญญามองเห็นเพราะเขามีปุพหะประโยคนะครับเนื่องจากว่าเขาสะสมอ บ, บรมสร้างบุญมาใน ชาติก่อนๆเป็นต้นนะครับเขาสะสมบุญมาในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเป็นต้นหรือได้ยินได้ฟังธรรมะจากพระผู้มีพระภาคมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะพวกนี้เขาเรียกว่าผงถึงพร้อมด้วยปุพพะประโยคหรือเช่นพวกที่เจริญสัมปชัญญะ4ี่มาเป็นอย่างดีในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยไม่อาศัยที่สุดทั้งสองคือสัสตะและอุเชเฉตนะครับคือไม่อาศัยความเที่ยงและความขาดสูนด้วยปัญญาจักษุนั่นแหลกระทําให้ประจักษ์ด้วยการเห็นข้อปฏิบัติ สายกลางนะครับพวกนี้ตั้งอยู่ในมัชชิมาปฏิปทาเพราะเห็นอริยสัจนั่นเองนะครับจึงอยู่เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นย่อมเห็นโดยไม่คิดว่าธรรมนี้อาศัยเพียงนามรูปเท่านั้นเกิดขึ้นเที่ยงก็ไม่ใช่ขาดศูนย์ก็ไม่ใช่นะครับคือเขาไม่ได้ไม่ได้มีความคิดเลยนะว่ารูปนามเนี่ยมันเที่ยงหรือว่ามันขาดศูนย์เพราะอะไรครับเขาเห็นเพียงแต่ว่ารูปนามนี่อาศัยเนี่ยปัจจัยเนี่ยเป็นไป นะครับเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีนะครับเป็นไปตามอำนาจของเหตุและผลนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสคำเมียที่ว่ากระฐานจะพิคเวดังนี้เพื่อจะแสดงถึงความติดเป็นต้นโดยปุกลาทิฐานด้วยประการชนีนะครับในบทเหล่านั้นบทว่าภาวะได้แก่กามภพบรปูปะพบและอรูปปพบนะครับยังมีพบอีกพบอื่นอีก3าคือสันญีพบอสันญีพบเนวสัญีนาสันญีพบ ยังมีภพอ miejsce, e ื่นอ oh. ีก3ามเรียกว่าเอกวการภพเจตวการภพและปัญจโวการภพนะครับสรุปแล้วมีภพเกนะภพเก้านี้แบ่งออกเรียกว่าโดยภูมินะครับกามรูปอรูปแล้วก็ถ้าโดยสันจิตนะครับโดยจิตเรียกว่าสันยีสันญีเนวสันยีถ้าโดยขันก็ได้แก่เอกวเจตโวและปัญจนะครับพูดโดยภูมิโดยจิตและโดยขันนะครับก็โดยอธิฐานไม่ต่างกันคือคือมุ่งขยายถึงภพสามเหมือนกันนะครับ บทว่าภวารามาเพราะยินดีพอใจด้วยพบเหล่านี้คือยินดีพอใจในภพเก้าเหล่านี้นะครับเชื่อว่าภวารตาเพราะยินดีคือยินดียิ่งในพบทั้งหลายชื่อว่าภวะสมุทิตาเพราะเพลิดเพลินด้วยดีในพบทั้งหลายบทว่าภวะนิโรธายะได้แก่เพื่อดับพบเหล่านั้นให้สิ้นสุดคือเพื่อไม่ให้เกิดต่อไปบทว่าธรรมเมเทสยะมาเนได้แก่เมื่อนิยานิกรรทัมคืออริยมรรคนะครับ อันพระตถาคตทรงประกาศแล้วคือทรงบอกอยู่นะครับคือพวกพวกที่ยินดีในภพะนะพวกที่ติดใจในภพเพลิดเพลินในภพอยู่เนี่ยนะพระพุทธเจ้าแสดงอริยมรรคเพื่อความสิ้นภพเนี่ยก็ณบักขันทติไม่เรียกว่าจิตไม่เข้าไปไม่ยั่งลงเพราะมีความหดหูแห่งธรรมดาอ่าเป็นธรรมดาเพราะยึดมั่นในความเที่ยงเป็นต้นนะนะก็ไม่ได้สําคัญในข้อปฏิบัตินั้นอะไรนะครับฟังแล้วก็ไม่มุวนเลยว่า ง, งั้นอนะ บทว่าณปสีทติได้แก่ไม่ถึงความเลื่อมใสคือไม่เชื่อธรรมะนั้นบทว่าณสันติทติได้แก่จิตไม่ดำรงอยู่คือไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมใจไปในเทศนานั้นนะครับไม่ส่งจิตตามคําสอนในอริยมรรคเหล่านั้นเลยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมติดอยู่ในพบด้วยความยึดมั่นในความเป็นของเที่ยงเพราะสําคัญในวิบากและกรรมชรูปเหล่านี้ว่าเที่ยงนะยั่งยืนเนี่ยนะครับ บทว่าอติยะมานาความว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นเนี่ยพวกที่อิดอัดเนี่ยนะพวกอุเฉททิทิพวกนี้ก็คือเนื่องจากอะไรครับเห็นชาราเห็นชาราเห็นโรคเห็นมรณะเป็นต้นเห็นการฆ่าการจองจําการตัดเป็นต้นแล้วถูกความทุกข์เหล่านั้นบีบคั้นด้วยพบอันมีความทุกข์เหล่านั้นพร้อมเป็นผู้ยึดมั่นในทุกข์พวกเนี่ยเบื่อนายมากนะครับเช่นแก่ไม่ตายสักทีเบื่อนายเจ็บปวดร้อนรนเนี่ยนะครับ มันเบื่อนายไปหมดเลยนะครับนึกว่าตายแล้วมันสบายอะ่ะพวกนี้จะเข้าใจแบบนี้นะครับเห็นชีวิตมันมีแต่ปัญหาเห็นชีวิตนี้มัมีแต่ความอึดอัดความขับแค้นเป็นต้นเนี่ยนะเพราะมันมอยากตายอะ่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้เรียกว่าพวกเลยทงนะครับบทว่าหารายามะนาได้แก่ระอาบทว่าชิกุชยะมานาได้แก่เผาอยู่โดยเป็นของปฏิกูลบทว่าวิภวังได้แก่ความขาดศูนย์บทว่าอภินันทติได้แก่ย่อมเพลิดเพลิน ความพวงด้วยยินดีด้วยตันหาและทิฏฐิบทว่ายะโตโขกิรโภเป็นต้นแสดงถึงการยินดีของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นนะครับคือพูดถึงพวกที่เป็นอุเฉททิฏฐินะครับผมได้ยินว่าตอนไหนนะหลังจากปฏิสนธิเนี่ยชวะนะจิตดวงแรกเนี่ยมันจะเป็นโลภะอะไรเงี้ยอวิธีแรกครับวิธีแรกเรียกว่าโลภะภวะนิการตินะครับ หมายความว่าพวกที่ยินดีในพบ น, นะเกิดขึ้นครั้งแรกก็ศาตร์ทั้งหลายก็จะยินดีกันนะใ น, ในทั้งสามภูมิเลยใช่ไหมครับครับทั้งสามภูมิเลยมแม้แต่นรกเกิดขึ้นก็ต้องยินดีก่อนนะอ้อาวพอยินดีเสร็จอ้าวอบายทั้งนั้นเลยเนี่ยนะแต่ว่าวิธีแรกนั้นต้องมีพบเป็นอารมณ์ก่อนนะครับครับพวกนี้จะยินดีก่อนพ้าพวกที่ข่าตัวตายก็น่าจะเป็นพวกอุทเฉทติธินะคือหลังจากนั้นแล้วนะครับพอหลังจากนั้นมาก็คิดว่าความตายเนี่ยนะเอ่อพวกพวกฆ่าตัวตายเนี่ยมีอยู่2อย่างนะครับ พวกนึงก็คิดว่าจะไปอยู่ในที่ที่มันนิรันดร์นะครับจะได้เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงนะนะเช่นาานะครับพวกคลั่งศาสนาหรือพวกที่บ้ารักเกินไปนะครับก็จะฆ่าตัวตายแล้วจะได้ไปอยู่ร่วมกันโดยที่หมดปัญหาสักทีหนึ่งนะครับก็จะไปอยู่เรียกว่าสุขด้วยกันตลอดไปนะครับยังหนึ่งนะฮะนะพวกเพ้อฝันทั้งหลายเลยนะครับจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับครับถ้าจริงก็ดีนะนะเพอนะครับคิดว่าจะได้ไปอยู่ร่วมกันนะครับ อย่างหนึ่งแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่เบื่อนายในชีวิตเต็มทีนะครับเช่นบางคนเนี่ยนะครับเบื่อนายเต็มทีเนี่ยก็อยากให้มันพ้นพ้นสภาพแบบนี้ซะนะครับก็เหตุปัจจัยของอลักษณะของอุเฉท ท, ทิติเนี่ยนะมีหลายนายด้วยกันนะครับ บทว่าเอตังสันตังได้แก่ความขาดศูนย์เป็นต้นของตนนี้ชื่อว่าสงบเพราะสงบจากอารมณ์ทั้งปวงและเพราะสงบจากความเร่าร้อนทั้งปวงชื่อว่าประณีตเพราะเป็นของละเอียดชื่อว่าทองแทเพราะไม่ผิดไปจากความจริงนะมอยากถึงวันนั้นหรือเกินนะ่นะเราวันตายกันเนี่ยนะครับบางพวกนะหรือบางพวกก็จะคิดว่าไปศูนย์ในภพหนึ่งภพใดเป็นต้นเนี่ยนะครับ เอาส่วนพวกที่เห็นจริงก็คือภูตังได้แก่ขันธปัญจกะด้วยว่าขันธปัญจกะนั้นเรียกกล่าวว่าภูตังเพราะเกิดด้วยปัจจัยและเพราะมีอยู่โดยปรมัาทนะครับมีอยู่จริงแต่ความจริงอันนี้มีสาระไหมครับขันห้าเนี่ยจริงนะแต่ไม่มีสาระไม่มีอัตตาสาระเป็นต้นเลยด้วยเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภูตามีดังพิกเวสัมโุ ป, ปัสสะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพิจารณาเห็นขันธปัญจกะนี้ ภิกษุย่อมเห็นโดยความเป็นจริงโดยไม่วิปริตคือเห็นสภาวะลักษณะแล้วก็สามัญลักษณะเพราะขันธปัจจักนี้เป็นเพียงนามรูปอธิบายว่าภิกษุย่อมเห็นขันธปัจจักนี้เป็นเพียงนามรูปนะครับเช่นขันธปัจจักทางตานะครับอาศัยตากับสีเนี่ยตากับสีเป็นรูปประคันนะนะเป็นรูปเป็นรูปประธรรมด้วยนะครับตากับสีเป็นรูปประธรรมด้วยเป็นรูปประคันด้วยนะครับ ส่วนภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นเนี่ยนะขณะเห็นเนี่ยนะเป็นนามขันหรือว่าเป็นเวทนาขันสัญญาสังขารและวิญญาณขันนะครับในทวารอื่นๆก็ในยะเดียวกันนะครับแต่ว่าขันห้าเหล่านี้ก็เป็นผลของกรรมอาศัยเหตุในอดีตพออาศัยขันห้าเกิดขึ้นก็เป็นทํากรรมใหม่เพื่อเหตุแห่งวิบากและกรรมชรุปขันห้าอันต่อไปอย่างนี้อีกนะครับกนิยะ เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าตากับศีลเนี่ยเป็นรูปประธรรมด้วยเป็นรูปประขันด้วยผมเลยสงสัยว่ารูปประขันกับรูปประธรรมนั้นแตกต่างกันใช่ไหมต่างกันโดยโวหารเทศนานะครับคือถ้านามรูปทุ ก, กะเขาเรียกว่าโดยนามรูปนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มาบัญญัติเป็นขันก็ได้บัญญัติเป็นนามรูปก็ได้นะครับแต่ว่าเชื่อมให้เห็นว่าเป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันนั่นเองนะครับ เน้นว่ายังพูดถึงเรื่องเดียวกันอยู่นะครับถึงจะใช้คําว่าขันก็ตามใช้คําว่านามรูปก็ตามก็ยังอยู่ในในเรื่องเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าใช้คําว่านามรูปมุ่งอธิบายในยะหนึ่งถ้าพูดถึงขันท่าอาจจะมุ่งอธิบายอีกในยะหนึ่งนะครับด้วยการเห็นนามรูปพร้อมด้วยปัจจัยอย่างนี้ในนามรูปนั้นธรรมะทั้งหลายมีปัทวีธาตุ <barrels> เป็นต้นเหล่านั้นเป็นรูปธรรมะทั้งหลายมีภาษะเป็นต้นเหล่านี้เป็นนามขันทั้ปัจจกะเหล่านี้ เป็นลักษณะเป็นต้นของนามรูปเหล่านี้นะครับเช่นว่าปฐวีมีลักษณะแข่นแข็งภาษากระทบอารมณ์เป็นต้นเนี่ยน ะ, ะลักษณะแต่ละอย่างแต่ละอย่างอวิชาเป็นต้นเหล่านี้เป็นปัจจัยของนามรูปเหล่านี้นะครับคือวิเคราะห์พิจารณาเห็นอย่างเช่นนะครับตาเกิดจากปัจจัยอะไรสีเกิดจากปัจจัยอะไรจักรคูวิญญาณเกิดจากปัจจัยอะไรภาษาเวทนานะครับเกิดจากปัจจัยอะไรแล้วในทวารทั้ง6นะครับ เสร็จแล้วเมื่อรู้ปัจจัยไม่สงสัยในการสามแล้วก็พิจารณาด้วยอนุปัสสนาเมียนิจานุปัสนาเป็นต้นตามเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงนะครับว่าธรรมะเท่านี้เหล่านี้ทั้งหมดมีแล้วเกิดไม่มีแล้วมีนะครับไม่มีแล้วเกิดมีมีแล้วก็เสื่อมนะครับหมายความว่าเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับจากเป็นอย่างนี้ไม่นานแล้วก็ต้องหมดไปนะนะ่นนะ หรือเชนอ่นนะครับชาติก่อนหน้าโนูน้นเมื่อก่อนโ น, น้นก็นไม่มีแต่อาศัยปัจจัยเนี่ยจึงทําให้มีขึ้นหรือแม้กระทั่งพบนี้ได้ปัจจัยแล้วจึงเกิดขึ้นนะครับในพบนี้ได้ปัจจัยแล้วก็จะเกิดในพบต่อไปอีกเป็นต้นนะครับปัญลักษณะนี้นะครไม่มีแล้วมีแต่ทีนี่ระยะของการพิจารณาคําว่ามีแล้วไม่มีก็แล้วแต่ใครนะครับบางคนมีปัญญายาบ่บก็พิจารณาหยาบๆนะครับบางคนละเอียดก็พิจารณาละเอียดเพื่อที่พิจารณาหยาบๆก็พิจารณาเป็นพบเลยนะครับ เช่นชาติท ok ี่แล้วก็ไม่เที่ยงในชาติที่แล้วเพราะหมดในชาติที่แล้วนั่นแหละไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาของชาติหน้ามันก็ไม่เลยไปชาติต่อไปอีกนั่นรอบมันก็อยู่แค่ชาติหน้านั่นแหละเพราะฉะนั้นในชาติหน้าก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาของชาตินี้ก็ไม่ถึงชาติหน้าไร้รับเพราะยังหมดอยู่ในชาตินี้แหละไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแล้วก็มาสาวละเอียด นะครับแบ่งเป็น3าวัยนะครับตอนเป็นเด็กก็ไม่ถึงตอนกลางคนเพราะฉะนั้นตั้งแต่ความเป็นเด็กก็ไม่เที่ยงเป็นทุกแเป็นหน้าตาตอนกลางคนก็ไม่ถึงตอนแกเพราะฉะนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกแเป็นหน้าตาตอนแกก็ไม่ไม่เลยตายเพราะงั้นก็แค่นั้นแหละไม่เที่ยงเป็นทุกแเป็นหน้าตาหรือจะแบ่งหารมาเป็นช่วง10ปี5ปีหรือว่า1ปีหรือว่าเอาเป็นเดือนนะครับหรือเป็นฤดูเป็นเดือนเป็นวันเป็นต้นนะครับแม้กระทั่ง เอาแบบละเอียดละเอียดค่อยลึกแต่ต้องพิจารณาตามกระบวนการเหล่านี้ทั้งหมดนะครับต้องวิเคราะห์ทุกแงม่มุมถ้าไม่วิเคราะห์ทุกแง่มุมเหล่านี้ก็ยากที่จะเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านี้จริงๆนะครับเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วนะครับเห็นธรรมะทั้งหลายเนี่ยนะจึงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกเพราะเป็นทุกนั่นแหละจึงเป็นอนัตตาดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นอันแสดง วิปัสนาภูมิอันมีตุณวิปัสนานะครับวิปัสนาอย่างอ่อนเป็นที่สุดก็คือเท่ากับกล่าวถึงเมื่อเป็นไปอย่างนี้แต่สิ่งที่ไม่เที่ยงเหล่านี้นี่นะครับมันจะเกิดมันเกิดด้วยปัจจัยมันจะดับไปมันก็ดับเพราะหมดปัจจัยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเหตุเกิดขึ้นและความดับด้วยปัจจัยการพิจารณาในระดับนี้เรียกว่าตุณวิปัสนานะครับที่กล่าวไปบทว่านิพถยะได้แก่ เพื่อความเบื่อหน่ายในธรรมชาติอันเป็นไปในภูมิสาได้แก่ขันธปัญจกะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระว่วิปัสนาด้วยบทนี้นะครับเพื่อเบื่อหน่ายในขันห้าเนี่ยนะเรียกว่าเมื่อเห็นแต่ใส่ใจแต่ความดับเนี่ยนะครับเป็นโทษเป็นภยัยเป็นของที่มีแต่ทุกข์โทษนะครับบทว่าวิราคายะได้แก่เพื่อวิราค่ะคือเพื่อคลายกำหนัดด้วยบทนี้พระผู้มีพระภาคแสดงถึงอริยมรรคนะครับบทว่านิโรธายะได้แก่ความดับนั้น ความดับก็เป็นชื่อของมรรคเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งบทว่านิโรธายะแสดงถึงอนุปาทิเสสนิพานพร้อมด้วยปฏิปัสสัตทินิโรธอันนี้หมายถึงนิพานและอริยผลนะคะบทว่าเอวังจักขุมันโตปัสสติได้แก่ผู้มีปัญญาจักสุย่อมเห็นจตุสัจธรรมด้วยจักสุคือมรรคปัญญาโดยส่วนอันมีในเบื้องต้นอย่างนี้นหมายความว่าคนที่มีดวงตาเนี่ยนะครับคนที่มีตาปัญญาเขาก็จะพิจารณาขันห้าพร้อมทั้ง ปัจใจแล้วก็เจริญหรือเรียกว่าปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายแล้วก็แทงตลอดอริยสัตว์ในขณะมรคนมีปัญญาเขาจะเห็นในลักษณะนี้ส่วนในคาถาทั้งหลายนะครับคาถาที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอริยาสาวกใดเห็นขันห้าที่เกิดแล้วและธรรมะเป็นเครื่องก้าวล่วงขันห้าที่เกิดแล้วโดยความเป็นจริงย่อมน้อมไปในนิพพานตามความเป็นจริง เพราะภวะตันหาหมดสิ้นไปถ้าว่าอริยาสาวกนั้นกําหนดรู้ขันท่าที่เกิดแล้วปราศจากตันหาในภพน้อยและภพใหญ่แล้วไซพิสุทธ์ทั้งหลายย่อมไม่มาสู่ภพใหม่เพราะความไม่เกิดแห่งอัตภาพที่เกิดแล้วนะครับอัตถกถาอธิบายคาถาว่าโยภูตังภูตะโตทิสวะความว่าผ้าอริยาสาวกใดเห็นขันธปัญจกะที่เกิดแล้ว โดยความเป็นจริงคือโดยสภาพที่ไม่วิปริตด้วยมัคคปัญญาอันประกอบด้วยวิปัสนาปัญญาด้วยบทนี้พระองค์แสดงถึงปริญญาพิสมัยนะครับ น, นะการตรัสรู้ด้วยการกําหนดรู้นะครับที่บอกว่าเห็นขันห่านะครับโดยสภาวะที่ไม่วิปริตนะคือเห็นความจริงแท้ของขันห่าด้วยมัคคปัญญานี่นะครับเพราะว่ามัคคปัญญานั้นอาศัยวิปัสนาปัญญาเนี่ยเป็นบาตให้วิเคราะห์ทุกขสัตว์เหล่านั้นอย่างดี เพราะฉะนั้นปริญญาสมก็เท่ากับแสดงอย่างบริบูรณ์บทว่าภูตัสะจะอติกรรมังได้แก่ภาวนาพิสมัยการตรัสรู้ด้วยภาวนาจิงอยู่อริยมรรคท่านกล่าวว่าก้าวล่วงขันธปัญจาการที่เกิดแล้วเพราะเป็นเหตุก้าวล่วงขันธปัญจกาที่เกิดแล้วเพราะว่าถ้าอริยมรรคเกิดแล้วนี่นะครับจะก้าวล่วงอย่างเช่นโสดาปฏิมากรก็ก้าวล่วงพบที่แปดและจะไม่เกิดในพบที่แปอีกแล้วถ้าสกท า, าคามิมรรคก็ก้าวล่วงพบที่ ที่2นะครับในการเกิดเป็นมนุษย์่าอนาคามีมร ก, ก้าวล่วงตามมาพบทุกทั้งหมดถ้าตหัตตมะ ก, ก็ก้าวล่วงภูมิทั้งปวงนะครับพบทั้งปวงอันนี้เพราะฉะนั้นจะเป็นภาวนาพิสมัยจึงจะก้าวล่วงขัน5้าทั้งหมดบทว่ายะถาภูเตได้แก่น้อมไปในนิพพานอันมีสภาพเป็นสัจธรรมไม่วิปริตด้วยบทนี้พระองค์แสดงถึงกิริยาพิสมัยการตรัสรู้ด้วยการทาในแจ้ง คืออริยมรรคจิตนั้นจะน้อมใจไปนิพพานนะครับเป็นที่สงบประงับขันทั้งปวงบดว่าภวะตันหาปริขยาได้แก่เพราะสิ้นไปคือเพราะตัดขาดภวะตันหาด้วยประการทั้งปวงด้วยบทนี้พระองค์แสดงถึงสมุทยาปหารการละตันหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะครับคือสิ้นภวะตันหาเพรา ะ, ะตันหาเป็นเหตุปรารถนาวิบากในกรรมและกรรมชรูปในภพทั้งปวงหมดสิ้นแล้ว อธิบายว่าถ้าว่าอริยาสาวกนั้นกําหนดรู้ขันธปัญจกะที่เกิดแล้วคือกําหนดรู้ขันเพราะสิ้นภาวะตัณหาด้วยมักอันเป็นอุบายก้าล่วงขันธปัญจกะที่เกิดแล้วแต่นั้นก็น้อมไปในนิพพานตามความเป็นจริงบทว่าภาวาภเวความว่าภิกษุปราศจากตัณหาคือทําลายกิเลสได้แล้วในภพน้อยและภพใหญ่หรือในเพราะการเห็นความขาดสูญเป็นต้นย่อมไม่มาสู่ภพใหม่ คือถึงความเป็นผู้ไม่มีบัญญัตินั่นเองเพราะความไม่เกิดคือไม่เกิดอีกต่อไปแห่งอัตภาพอันได้แก่อุปาทานขันที่เกิดแล้วพระผู้มีพระภาคจบเทศนาด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุนะครับเพราะฉะนั้นในทิฏฐิสูตรเนี่ยจบลงด้วยดับโดยไม่มีเหลือนะครับดับแบบพระผู้มีพระภาคดับนั่นแหละครับนั่นนะนนนนไม่มีอะไรเหลือสักอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งกิเลส นะถ้าแสดงถึงอรหัตตมรรคก็คือดับกิเลสก็ยังเหลือขันนะคือเหลือขันในภพนั้นแต่ถ้าบอกว่าอนุปาทิเสตก็ดับหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจบหมดเหนเจบเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้วัตตะที่ไม่ค่อยดีเหล่านี้นะครับนั้นจบทุกการนิบาทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจบทุกการนิบาศนะครับในคำพีอิติวุตกะเพียงแต่เท่านี้นะครับคงจะใช้เวลาเทียงเท่านี้ด้วยเหมือนกัน